จะเรียนธรรมะให้รู้เรื่องนะเปิดใจให้กว้างีคนที่ปฏิบัติธรรมก็มีอยู่ทั่วๆไปหลวงพ่อภาวนามานานพ ป, ปีสองห้าหลวงปู่ดูลท่านว่าคือภาวนาเป็นละก็ออกไปดูคนอื่นเขาภาวนากันยังไงเข้าสำนักโน้นออกสำนักนี้เที่ยดู ้วก็ได้พบความจริงข้อหนึ่งคคนภาวนาเนี่ยถ้าเทียบกับคนที่ไม่ภาวนาแล้วคนไม่ภาวนาเยอะเทียบกันไม่ติดหรอกแต่ในหมู่คนภาวนาเนี่ยน้อยคนหรอกที่ภาวนาถูกจุดสำคัญก็คือไม่สามารถพัฒนาจิตขึ้นมาให้เป็นผู้รู้ผู้ดูได้ออกไปเที่ยวตามสำนักต่างๆนะ กทั้งในสำนักครูบาอาจารย์บางสำนักก็มุ่งทำสมาธิกันทำแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ไปฝึกบังคับจิตให้นิ่งๆทำความสงบเกิดนิมิตเกิดอะไรก็ชอบใจกันอยู่ตรงนั้นอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยกำหนดรูปนามอย่างเดียวเลยคิดกำหนดไปเลยคิดว่าเป็นวิปัสนา เนีพลาดเป็นสุดต่งไปสองข้างพวกหนึ่งไปติดสมาธินิ่งอีกพวกหนึ่งไม่มีสมาธิเลยงั้นมันจะไม่แปลกใจ ว, ว่าทำไมพอนากันแทบเป็นแทบไตไม่ค่อยจะได้อะไรขึ้นมาได้อย่างมากก็ความสงบหรือถ้ากำหนดมากๆไปเครียดมากๆบ้าเลยพอนาแล้วบ้าก็เยอะนะงั้นจุดสำคัญเลยที่เราจะ ทำได้หรือไม่ได้อยู่ที่เราพัฒนาจิตของเรามามีคุณภาพพอที่จะเดินปัญญาหรือเปล่า mm hmm. การพัฒนาจิตนั่นก็คือการฝึกสมาธิให้ถูกต้องนั่นเองให้มีคุณภาพเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆยหรือออกเห็นโน้นเห็นนี้หลวงพ่อเคยไปวัดครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะกลางคืนไปพาอนา เข้าไปกันที่โบสถ์โบสถ์วัดท่านเล็กเขาก็พาวนาในโบสถ์เต็มนั่งกันเต็มเลยรอบๆโบสถ์เขาท่งสมาธิเดินจงกลมคืนหนึ่งคืนหนึ่งเนี้ยคนพาวนาเป็นร้อยเลยเพราะคนไปพักวัดท่านมากนับถือท่านเยอะหลวงพ่อไปแล้วให้ไปดูเขาหน่อยเขาภาวนายัางไงส่วนมากหลวงปู่ท่านให้ไปอยู่หลังวัดอยู่เขตพระนู้นะในป่าให้เดินออกมาที่โบสถ์มาดู เข้าไปชะ ง, งกดูในโบทโอ้เขาไม่ได้ภาวนาออกมานอกโบทเห็นคนนั่งสมาธิเดินจงกรมในใจนก็อุทานอีกนะโอ้ไม่ได้ภาวนาทาไมบอกว่าเขานั่งกันเป็นร้อยร้อยคนนะในใจเรานึกว่าเขาไม่ได้ภาวนาเขาไม่ได้เอาสติไม่ได้มุ่งที่สติเลยมุ่งที่สงบ สงบโดยไม่มีสติมันเป็นมิจฉาสมาธิไม่เป็นไปเพื่อมารผลนิพพานการทิ้งสติตัวเดียวก็คือทิ้งธรรมะไปเลยนะในใจก็คิดอย่างนี้นะก็ปลีกตัวออกมาหยุดใต้ต้นไม้วัดท่านต้นไม้เยอะไปเดินของเรานั่งของเราคนเดียวเช้าขึ้นมาตามพวกคุณป้าเข้าไปกราบท่าน หลวงปู่ก็มองหน้าแล้วหลวงปู่ก็ยิ้มยิ้มวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะ ว, ว่าคุณป้าก็สงสัยทำไมหลวงปู่ว่าวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติปฏิบัติจะเป็นร้อยหลวงพ่อได้ยินน่ะอายเลยคือเราเนี่ยไม่เอาไหนเราไปเห็นคนเดินภาวนานะั้นเราไปนึกปรมามโมทเขาเราเห็นแต่ว่าเขาภาวนาไม่ถูกแต่เราไม่เห็นกิเลสตัวเองพอโดนท่าน พูดออกมาลอยๆนะพูดยิ้มยิ้มวันนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วแหะมันคือประโยคที่เราคิดในใจเราก็โอ้นี่ท่านก็สอนธรรมะเรานะแต่คนที่ได้ยินเนีเขาก็งงนั่งสมาธิเดินจงกรมเนี่ยหรือไม่ใช่การปฏิบัตินัน่งสมาธิเดินจงกรมก็ไม่เรียกว่าปฏิบัติหรอกถ้าไม่มีสติ นั่งก็ต้องนั่งอย่างมีสติหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวถ้านั่งแล้วก็เคลิ้มไปก็ใช้ไม่ได้ปัญหาใหญ่ของนักปฏิบัตินะที่เอาเป็นเอาตายก็คือมันจิตมันไม่ถูกถ้าจิตไม่ถูกสัอย่างเดียวไปทาอะไรมันก็ผิดหมดแหละถ้าไม่คิดเอาก็เพ่งเอาก็มีเท่านั้นเองไม่ใช่รู้สิ่งที่ผิดมีสองอัน สุดต่งสองข้างนหนึ่งคือการสุขาริการโยกการสุขาริการโยกคือจิตมันไปเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในผัพถภาในธรรมรมคือจิตมันไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหกนะช่องไปดูแล้วก็ลืมตัวเองไปฟังแล้วก็ลืมตัวเองไปคิดแล้วก็ลืมตัวเองใจมันไหลไปตลอดมันไม่แค่สักว่ารู้ว่าเห็นอยู่ ในหช่องนี่ช่องที่ไหลบ่อยที่สุดคือช่องใจไหลไปคิดมากที่สุดเพราะวันๆตื่นนอนมาก็คิดละคำจริงคิดมาตั้งแต่ก่อนจะตื่นเรียกว่าฝันใจมันไหลไปคิดตลอดเวลางั้นถ้าเราจะทําความรู้จักจิตที่ไหลไปที่ตามกิเลสตามอารมณ์ไปที่หย่อนไปเรียกว่าหย่อนแไปพวกนี้ตัวที่ควรเรียนมากที่สุดก็คือคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปคิดเพราะเกิดบ่อยที่สุด แล้วถ้าเราตามไม่บอดนะไหลไปดูมาที่สองไหลไปฟังมาที่สามไหลไปดมกลิ่นไหลไปริมรถอะไรพวกนี้ลดลดลงไปน้อยลงไปไหลไปคิดเกิดบ่อยที่สุดถ้าตามไม่บอ่อยก็ไหลไปดูมากเปน็นอันดับสองถ้าหูไม่หนวกนะก็ไหลไปฟังเปน็นอันดับสามถ้าจะเรียนให้เก่งก็เรียนใน ت, ที่มันเกิดบ่อยที่สุดนีจิตหนีไปคิดให้เกิดบ่อยที่สุด ห้ามให้หนีไปคิดไม่ได้ห้ามให้หนีไปคิดไม่ได้แต่ให้รู้ทันเวลามันหนีไปคิดเมื่อวานหลวงพ่อถึงสอนว่าต้องมีเครื่องอยู่ของจิตนะจะอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับอะไรก็ได้นะอยู่กับท้องพองยุบอยู่กับการขยับมือได้หมดเลยแต่ไม่ใช่อยู่เพื่อจะอยู่ตรงนั้นอยู่เพื่อให้มีสติขยับมือไปนีถ้าขยับผิดนะก็ไปเพ่งใส่มือจิตไปจ่ออยู่ในมือนิ่งอยู่เฉย มีสติไปจ่ออยู่นะใช้ไม่ได้นะเพ่งอยู่เนี่ยตึงไปนะถ้าไปเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยตึงไปนะถ้าล่องลอยไปจับอารมณ์ได้ไม่ชัดอันนี้หย่อนไปถ้ารู้อารมณ์เท่าที่ปรากฏลงปัจจุบันไปนะอันนี้พอดนะีงั้นอย่างขยับมือเนี่ยขยับแล้วใจล่องลอยหนีไปคิดอันนี้หย่อนไปขยับแล้วก็เพ่งอยู่ที่มือบังคับตัวเองไม่ให้คิดอะไรเงี้ยอันนี้ตึงไป เวลารู้ลมหายใจหายใจไปจิตนีไปคิดอันนี้หย่อนไปหายใจไปแล้วกลัว really จิตจะหนีไปก็จ้องอยู่ท yeah. ี่ลมเพ่งอยู่ที่ลมหายใจเดียวเลยอันน RIGHT> ี้ตึงไปไม่ว่าทำกรรมฐานอะไรเนียจะหย่อนไปตึงไปหย่อนไปตึงไปได้หมดพุทโธพุทโธไปพุทโธไปจิตนีไปคิดอันนี้หย่อนไปพุทโธพุทโธเราก็เพ่งจิตให้นิ่งไม่ให้มันคิดให้มันคิดแต่พุทโธเดี๋ยวบังคับมันอยู่ อันนี้ตึงไปย่อนไปตึงไปไม่ใช่ทางสายกลางพรนะพเจ้าเริ่มสอนกรรมฐานครั้งแรกในธรรมจักรกับวัตนสูตรสูตรที่หนึ่งเลยที่ท่านสอนเริ่มต้นท่านไม่ได้สอนว่าที่ถูกให้ทำยังไงนะท่านสอนว่าที่ผิดคืออะไรสิ่งที่บัณชิตหรือนักบวชหรือผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ควรเสพมีสองอย่าง หกามสุขาริการุโยคสองอตัตตกิรมาฐานุโยกกามสุขาริการุโยคคือใจไหลไปหากรรมอะไรเรียกว่ากรรมรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ธรรมารมณ์เรียกว่ากรรมก า, มารมคุณอารมณ์แล้วเรื่องราวทางใจที่คิดนึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปเรียกว่ากรรมมาทำ น, นกรรมมีทั้ง6ช่องส่วนใหญ่ก็หนีไปทางใจนี่อันดับหนึ่ง อาตากิมาฐานที่โยกคือการบังคับกายบังคับใจตัวเองจะเดินจงกรมก็เดินบังคับตัวเองบังคับว่าห้ามคิดห้ามนึกต้องเดินท่านี้เดินท่านี้ก็ไม่ได้ไปดูในพระสูตรนะจะไม่มีกำหนดนะไม่เคยเจอหลวงพ่อไม่เคยเห็นว่าท่านกำหนดว่าให้เดินท่าไหนแต่นั่งเนี่ยท่านเคยสอน ท่านบอกให้ครูบรรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้วหายใจออกยาวนเน้นที่รู้นะเน้นทำไมให้นั่งสมาธิเพราะมัเป็นท่านั่งที่นั่งได้นานไม่มีเก้าอี้นั่งถ้าเรามีเก้าอี้นั่งเรานั่งเก้าอี้ก็ได้มันอยู่ที่จิตถูกไม่ถูกแต่เรื่องเดินเนี่ยท่านก็ไม่ได้สอนนะหลวงพ่อไม่เจออาจจะมีก็ได้แต่ว่าไม่เจอว่าให้ก้าวขาซ้ายหรือขาขวาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะ จะมีในตำราชั้นหลังๆเรื่องลักษณะของพระมหาบุรุษมหาบุริษลักษณะหรืออะไรนีเวลาเดินก้ า, ขากวขาขวาก่อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราเดินจงกรมต้องก้ า, ขากวขาขวาก่อนยังไม่เคยเจอว่าท่านสอนเดินจงกรมยังไงจะเอามือไว้ข้างหน้าหรือมือไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นนะจุดสําคัญอยู่ที่ว่าอย่าให้ใจสุดตรงไปสองฝั่งนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่ง ถ้าใจไหลไปคิดให้รู้ทันใจไหลไปเพ่งให้รู้ทั น, นที่ผิดมีสองอ น, นเองเวลาใจไหลไปคิดแล้วเรารู้ทันนะจิตจะตื่นขึ้นโดยอัตโนมัติแต่เวลาใจไหลไปเพ่งแล้วรู้ทั น, นไม่เลิกเพ่งหรอกเพราะอะไรจิตที่ไหลไปคิดเป็นจิตอกุศลเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่ว ทันทีที่สติเกิดความปรุงแต่งไยชั่วดับทันทีเลยการที่หลงไปคิดนะเป็นความปรุงแต่งฝ่ายชั่วส่วนการที่พยายามมาควบคุมตัวเองควบคุมกายควบคุมตัวเองเนะี่ยเป็นความปรุงแต่งฝ่ายดีนะความปรุงแต่งฝ่ายดีเป็นการมีความภาคเพียรอยู่ไม่ใช่อกุสนะแต่ว่าอกุสนแทรกง่ายเพราะหนาแล้วอยากอยากได้ผลอะไรอย่างนี้ อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อันนี้อกุศลมันแทรกแต่การที่พยายามฝึกรู้สึกกายรู้สึกใจพยายามให้จิตใจอยู่กับกายอยู่กับใจไม่หนีไปไหนมันเป็นกุศลอยู่ใจไม่ตกไปตามกิเลสราคาโทสะที่รุนแรงตกไปโมหะหรือราคาที่ละเอียดติดในความสุขความสงบของสมาธิเมื่อเวลาที่เราไปรู้จิตที่เพ่งเนี่ยไม่หายหรอก ต้องไปดูต้นต่อของจิตที่เพ่งอีกทีมันอยากปฏิบัติให้รู้ทันตรงนั้นนะอยากปฏิบัติมันอยากดีไอ้ตรงอยากชั่วเนี้ยไหลไปหาอารมณ์เนี้ยรูปุ๊บขาดปับ๊บตรงอยากดีเนี้ยรู้แล้วถ้าไม่เห็นถึงตัวอยากมันนะไม่ขาดอะจ้องอย่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเลิกจ้องเมื่อไหร่จะเลิกจ้องก็แกจ้องอยู่แกจะไปเลิกได้ไงเคยมีเทวดาไปตามพระพุทธเจ้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรโอคาคือห้วงน้ําหมายถึงกิเลสทั้งหลายนั่นเองพระองค์ข้ามโอคาได้อย่างไรพระเจ้าตอบเทวดาดุจกนเทวดาเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักอยู่และเราไม่เพียรอยู่เทวดานี่ท่านนึกว่าท่านได้พระอรหันต์เหมือนกันนะแล้วมาหาพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมาชวนสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้กันามาตั้งคําถามว่าพระองค์ข้ามได้ไงเพื่อจะได้คุยว่าฉันข้ามมาอย่างไง พระเจ้าบอกเราข้ามมาโดยไม่พักและไม่เพียนเทวดาเซอร์ไปเลยก็าถามพระเจ้าดูไม่รักหน้านะอืไม่รักหน้ารักธรรมเขาไม่เข้าใจก็ถามไอ้ไม่พักอยู่ไม่เพียนอยู่มันเป็นยังไงพระเจ้าตอบว่าถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียนอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักไม่เพียนเราข้ามโอคะได้โดวยวิธีเทวดาแท้โสดาไดพระโซดาเลย คำว่าพักอยู่นะก็คือการสุขาริการิโยค ก, การปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปเรื่อยๆจะจมลงคือจะไปอับายนะเพียนอยู่ก็คืออัตตกิริมัฏฐานิโยคอัตตกิริมัฏฐานุโยค ก, การทํากายทําใจให้ลําบากควบคุมกายควบคุมใจไว้จะลอยขึ้นไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้แต่ทั้งสองทางนี้ไม่ใช่ทางนิพพาน เนี่ยพระเจ้าของเราไม่พักอยู่เราไม่เพียรอยู่ถ้าเรียนกับหลวงพ่อสักพักหนึ่งนะแล้ว เ, เราไปเห็นนักปฏิบัติเราจะรู้เลยคนนี้พักอยู่คนนี้เพียรอยู่เราจะรู้เลยนะทางสายกลางที่ไม่พักไม่เพียรนะีเมื่อวานสอนแล้วนะทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งไม่ต้องนานนะวันหนึ่งสิบห้านาทีก็พอทาไมขอน้อยพอขอมากกว่านี้ไม่ให้ <laughs> ทำได้วันสองวันเดี๋ยวเลิกแล้วบอกขอวันละชั่วโมงเดี๋ยวก็อ้างโน้นอ้างนี่ไปเลยนะข้ออ้างเยอะอยากนิพพานแต่ข้ออ้างเยอะเลยขอสิบห้านาทีให้ไม่ให้ไม่ให้ก็แล้วไปบ า, บาย สุดปัญญาที่จะสอนแล้วครูบาอาจารย์แต่ก่อนท่านเคยบอกนะว่าเหมือนสอนควายขึ้นภูเขาเข็นควายขึ้นภูเขานะยิ่งกว่าเข็นคลอกอีกนะเข็นคลอกขึ้นเขาแล้วค่อยดันไปดันไปอย่างมากมือกลิ้งลงมาทับเราเข็นควายขึ้นภูเขานี่ยมันอาจจะหล่นลงมาทับเราก็ได้แถมยังปิดเราได้อีกนะเน่ยทำตัวแบบควายก็แล้วกันนะทําตัวเป็นมนุษย์พูดเจริญ ขอสินาทีเท่านั้นแหละไม่เอามากหรอกไว้พระสวดมนต์สักสองสานาทนะีถัดจากนั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งจะใช้การสวดมนต์ก็ได้นะสวดบทที่ไม่ยาวเกินไปนโมตัสสะภะคะวะโตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะบทเมตตาเมตตาคุณังอรหังเมตตาอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือยาวไปก็เอาให้สั้นหน่อยพุโทโธพุโทโธพุโทโธทำโมสังโฆอะไรก็ได้นะสั้นๆแล้วค่อยรู้ทันจิตไว้ คอยรู้ทันจิตไหมจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้เรียนสิ่งที่ผิดแล้วมันถูกเองเรียนสิ่งที่ผิดนะพอเรารู้ว่าเป็นผิดมันก็ถูกเองแหละไม่ต้องทำที่ถูกที่ถูกทาไม่ได้แค่คิดจะทำมันก็ผิดแล้วเพราะว่ามันโลภแค่คิดจะทำก็โลภผิดแล้วให้รู้สิ่งที่ผิดแล้วมันถูกของมันเองเมื่อไรแม่นไม่ผิดมันนั้นมันก็ถูกก็แค่นั้นเอง งั้นทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งนะจะพุโทโธทำโมสังโฆอะไรก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาก็ได้ไม่ชอบบริกรรมก็รู้ลมหายใจใหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวนะเคยฝึกท้องพองยุบก็ดูท้องพองยุบก็ได้แต่อย่าไปคิดว่าเป็นวิปัสสนาไม่เป็นหรอกนะเห็นท้องพองเห็นท้องยุบไปนะแล้วทําอะไรแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นะไม่ว่าทํากรรมฐานอะไรคอยรู้ทันจิตไว้ พุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดก็รู้พุทโธพุทโธจิตไปเพ่งความนิ่งนิ่งว่างๆอยู่ก็รู้รู้ลมหายใจจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจอยู่ก็รู้ดูท้องผองยุบจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องอยู่ก็รู้เดินจงกรมจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตเพ่งอยู่ที่ร่างกายก็รู้บางคนเพ่งที่เท้าอันเดียวบางคนเพ่งทั้งตัวเลยเพ่งร่างกายทั้งตัวเลยแล้วบอกว่านี่รู้ตัวทั่วพร้อมทําหน้าให้ดู อย่างนี้ไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมนะอย่างนี้มันบังคับตัวเองเครียดไหมเห็นไหมตัวอะไรพยักหน้าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูฝึกไปนะหรือจิตใจเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเคลื่อนไหวยังไงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยว ด, ยวดีเดี๋ยวร้ายหันดูไปนะแต่เวลาทำในรูปแบบนะ่ะก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตจิตไหลไปคิดก็รู้จิตไหลไปเพ่งก็รู้นะ พอรู้ทันนะถ้าไหลไปคิดน่ยหายปั๊บเลยถ้ารู้ว่าเพ่งก็ค่อยๆคลายออกทาใจให้สบายๆอย่าไปซีเรียสกีับการปฏิบัติปฏิบัติสบายๆเมื่อครูบาอาจารย์จะสอนภาวนาให้สบายๆทาไมสอนให้ภาวนาสบายๆเพื่อจะได้ไม่เพ่งอย่างหลวงพ่อพุธเนสอนภาวนาไปสบายๆให้มีความสุขอะไรเงี้ยเพื่อจะได้ไม่เพ่งถ้าเพ่งเราเครียดนะเหนื่อยเพราะงั้นเรียนสิ่งที่ผิดนะแล้วถูก แอสไซ์ให้ไปอ่านหนังสือเรียนทาคู่เพื่อรู้ทำหนึ่งนี่ไปหาอ่านลอวนะไปหัดนัหัดสังเกตใจหนีเรารู้ใจเพ่งเรารู้ฝึกตัวนี้ให้มากถ้าตัวนี้เป็นแล้วเนี่ยการภานาที่เหลือจะง่ายแล้วนะจะไม่ยากละวเพราะจิตใจมันจะเข้าทางสายกลางไม่ตกไปสู่การสุขาริการุโยคคือการตามการรมไป ตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามผลธรระสิ่งที่มากระทบร่างกายตามการรมมาทำกรรมมาคือเรื่องกรรมทางใจคิดนึกลวงแต่งสนุกสนานไปรู้จากการรมมาทำไหคิดเพลิดเพลินสนุกสนานอุ้ยไปเที่ยวโน่นดีกว่าไปดูนี่ดีกว่าเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าการมมาทำหารนั่นกินดีกว่าอย่เงี้ยกรมมาทำอปจีบอีกคนนี้ดีกว่านะอย่างเงี้ยนี่การมมาทำทั้งหมดเลย งังนใจไหลไปในกามใี่หย่อนไปไปทุคติอยากจะดีบังคับกายบังคับใจเครียดไปหมดเลยนี่อาัตตาขีลมัธานิโยตกตึงไปตึงเก่งๆก็ได้เป็นฤาษีนะห อ, อได้หรือไปเป็นพรหมอย่างนี้ภาวานาเก่งๆแบบฤาษีแต่ไม่ไปนิพพานจะปนิพพานก็ ต้องเข้าทางสายกลางไม่ได้จะเข้าทางสายกลางทางที่ถูกได้โดยการรู้ทางที่ผิดนะทํากรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วจิตผิดก็รู้จิตผิดก็รู้ไม่ต้องทําให้ถูกถ้าอยากทําให้ถูกเมื่อไหร่ผิดเมื่อนั้นเลยเครียดทันทีเลยกลายเป็นอัตตะกิลมฐานนิยคทันทีเลยการสุขาริการนิยคเนี่ยพวกรักชั่วอัตตะกิลมฐานนิยตกพวกรักดนะีรักดีหามจัว่วรักชั่วหามเสา อะไรหนักกว่ากันระหว่างจั่วกระสาพูดยากนะมันก็นหนักทั้งคู่รู้จักจั่วปะ่ะเนี่ยสามเหลี่ยมข้างบนหน้าข้างหน้าข้างหลังเนี่ยไม่ใช่เล็กนะไม่ใช่เล็กนะั้นรู้สึกนะรู้สึกถ้าเข้าตรงนี้ได้นะการภาวนาที่เหลือจะง่ายแล้ว มันยากมากเลยที่คนคนนึงจะตื่นขึ้นแต่ไม่ยากเลยที่คนตื่นแล้วนะจะแยกธาตุแยกขันธ์ <c oughs> เห็นธาตุขันธ์แสดงใจรักษณ์ถ้าเห็นธาตุขันธ์แสดงใจรักษได้แล้วก็ไม่ยากหรอกที่จะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ถ้าไม่เห็นธาตุขันธ์แสดงใจรักษไม่มีทางบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ถ้าจิตไม่ตื่นขึ้นมาก็ไม่สามารถจะเห็นธาตุขันธ์แสดงใจรักษณ์ได้ ว่ามีกายก็ลืมกายมีใจก็ลืมใจอันนี้เป็นการสุขาริกานุโยคมีกายก็เพ่งกายมีใจก็เพ่งใจอันนี้เป็นอัตตาขิลมัานุโยคไม่สามารถรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นรู้กายอย่างที่กายเป็ีนจะเป็นอะไรเป็นไตรลักษ์รู้ใจอย่างที่ใจเป็นนี่เป็นไตรลักษณ์งั้นต้องรู้เนี่ยเป็นทางสายกลางนะก็จะเดินปัญญาต่อได้ตอนนี้ไปกินข้าวก่อนไปเดี๋ยวจะโมโหหิว Yeah. <laughs>